อยู่ในสภาพระวับเป็น่ะดับเอ็นต่ำเขว่อนละแต่เราเรียนจากนี้ว่าตัวจากสันจุดที่จะจากันดีตาดูสิว่าความพะรักอ่อนนุ่ทอมตัวยูสมุดใจสมุดวายาจสมุดใจเหมอนงูเข่นนั้นสูซึกเหมืนงูเขนนั้นยิงง่ายกุณไปเจาะคุณสอนอย่งนั้นเอาไปเลยตัดมารื มเจมันใจมันหิวมันหมาเขาสหหอนตกันไลเตะไลยเสียนคนที่มีความชราในสถานที่ในบุคคล้วผู้ศรีสานเวลาเป็นบาปเป็นกรรมอย่างไดอย่เจ้าบาปกรรมนำเป็นเพื่เพื่อท่านเพื่มสอนตัวช่ยกันเหงากันยงหลันอยู่มีความ ขรเหนือพดเพื่นเอมเปิดมากสางาดง่ายเลยดุบเลี่ยง้ากว่าดีเลยดุบเ่เหนื่อนันไม่ดีเหตุตัลูตาคือนี่เ็จเราย่างดีมากกว่าบอกขรุกต้องพูดพะท่านพะสงเลดุากกับดุเงียดีดุบเยี่ยงากกับเยียดีเล้ากเสื้อเวียดีเือผีอนอแตกใปะหาครับก็่งก็ไหน พอวาราวะในสถานที่อจะยื้อในสถานเคยวิ้งเบิกกายซอมตาโบโบเต็นล่ำโบครับหล่อบอยงันในสถานที่ยังนั่นท่าท้ายท้องตนสงบหลงอ่ะคาราวะไป้าเดือดความนี่เศรรักษาบมไปเดือกระโดนรลดเต้น ส่วนร่ครับลองกต่อยกันในสถานที่ที่เพื่อนเาระคารวะผู้ดันเป็นเสอร์ซึผู้ทำดีมีคารวะคารวะในจิตในใจตายใจเดี๋ยเกินในสถานที่ดีเดียดเีวเ่าเลยเพราะใดี๋ยวเนี่ยนาจะค่อนดีลานอนนอนง่ายตัวารพเลยตายเคารพยางนั่นคือผทวาเรื่องต้องตายอาีการไป บ่อเจ็บร่ามครับหลงบ่อตกบ่อต่อยบ่อิ่งบ่อลยนในสถานที่คนถล่มบูชาบ่เปลนผ่านเรื่อในสถานที่ย่างนันเรียกว่าเขารคเปืยกายเขารีเปื่อว่าจาแต่เรามาลรักษาตัวปูดเจยงดังบ่อหลงบ่อรามบ่อห่อบ่บ่อทำซึม อป็นอมกข้อนเกิดสิงแวด้อต่างต่างตาเทรลักษาตาพงเฮาวบักษาไ้วตะคิดนเป็นโมก้นให่เป็นคนปากเน่าปากเหม็นเป็นคนบดีบอดา่เราออกไปอล่างันตอมมันบ่หอมมันเน่า เราพอไปรักษาหนอกนั่นใช่ไหมคนอต้นปากกูล้วพบหนาบาดหนาจนเป็นห้วหนวกทำหน่อยนนาาอื่นลำข้าหรือของเพลินออก็รักษาพอวัดเป็ น, บบนสีเคารพมืชาเ่ามีนสทานกีเออเสอเอืห้าเพราะมัสถานกี่เ่นล่ำเราว่างรักษาเอาไว้ตลอดเึื่สางใจให้เิดเลื่อพือระพุะธรรมระสง์ ผู้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมดกิเลสทั้งหันี่กายบริสุทธิ์นี่ว่าจาบริสุทธิ์นีใจบริสุทธิ์นี่นี่ถนที่ว่าเป็นเบื่อสำคัญทั้งศาสนาถูกวัดถูกว่ามีผู้พ้นประสาชสนลางไหลไปทำบุญซุนข้านไปทำวัดทำว่ารับเราสร้างธรรมะจากคู่อาจารย์ในวัดเันนั้น ออกเป็นวันไปวันหน้าภาษาบ้านเฮ้าเป็นวันออกพันภาษาที่เขาเจ้าพระสงฆ์ตามมาเล่นทุนเดินชำระท่านท่านภาษามาตั้งแต่เดือนแปดเท่มาถึงเดือนสิบเด็ดเท่เป็นเวลาสามเดือนเป็นระยะเวลาสิคะเจ้าพระสงฆ์ลงเขาวันษาถึงมือนี่เป็นมือออกพันภาษานีือวเป็นการสมัยเป็นโมคุน สมหยอันน้ถึงในขั่นพุทธอาารย์ันก็่วยเผ่าพันศาพญเจ้าไปจำพันาดาวะดึงกระเด็ดลงมาจากดาวระดึงในลันนี้ออกภัาแล้วมีผูกข้นประชาขนทั้งหลายคอยนรับครับข้ามจากข้นออกจากนั้นพ่นจะเปิดโลกว่าในหนังสือเทวราชะปโลกข้างสามในซันรกหนึ่งเห็นเทวุธเทา เพื่อว่าดามนุษย์เห็นโลกเปิดโลกเห็นพระองค์เสด็จลงมาจากดาวดวงใหญ่กันดเจ้าบันใดนั่นดาวท่องนี่พวกเผดภูตเผดภพีดาอิน้มแ่เห็นลงมาผูกข้อมใส่เส้นตลอดที่สตว์เชื่อสานเลยเห็นพระองค์ควเดชเผ่าเจ้าทั้งหลายนั่มทรงคือมนุษย์โลกชากันตุ่น ยิ้มดีใจใส่ไสกับป่าถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมดแดดดำมดแดงกับปาถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าเช็นไหมเพราะความอัศจรรย์เห็นโมกข้นสมัยอันใหญ่โตท่หน้าผีข้นป่าช้าขนตลอดช่วงชาติยิ่งช้านีองเห็นอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะคนเป็นปืนเล่อเปิดเสดเศษหรือยิ้มเดือดเดืดหรืออาดเดืดท่ำพวกปญโลกทั้งหลาย มนุษรวมเห็วนวุต เ, เทวดาไปจหยียบนจากหน้าลกนีโลกใหม่เดือวร้อนหุ่งไร้เนื้อกาหายจิตในจิดในใจเหนือขุนไปไดเหนือใดถือมาทำบุญคุ้ท่นท า, า, านต่างขงึ้นงามค่อมดีจิตเช็ดหลาในการทำคิดผูกคิดคิดพิดค้องตัวนี่เป่นนัดานารกหัวไปจิตศาสรนะในใจย่างนั่นพวกมารวทั้งหลายเยะลงไปเห็น ปัจนรกคือมกใหม่เดืร้อนดิ่ในนรกหดม้อหลังกายใจเน่าสุกพร้อมต่างๆนาหน้าขยัยมทั้งหลายเทอมานายของเขาในเวลาความเหล่่อลอนในเลาความลาบากโดยบาปตั้งิ่นไว้มนุย์ทั้งหลายเถเกณฑใจไ่อยากทำเสือทำเสียต่อไปหเลี้ยวกุไปทึ้ง สัน่นสะเห็นเกิดพวุธเถิดพัดดาอย่าศาสารยูยนั่นความเป็นโยทุกําล่างสะดวกสบายมนุษย์ทั้งหลายก็อยากทำบุญทุ้งท่านอยากจะเป็นนั่งฝ่าเชื่อว่าดาอยากจะเป็นเถิดพวุธเจ้าฝ่านี่เป็ น, น, าาาานาา้านเกิดโลกพระพุทธเจาเกิดโลกว่าสักเกิดโลกทั้งตามเห็นัดทั้งหลายไดีเห็นกันเป็นกาไหว ในตำรับตำล่าในตำน้าเป็นปุกขราติษฐานให้ท๋ทุกค์ขนเดีิทพิจรารณาละตัวผมเพ่นดีต่อไป ห, าห้าเข้าวิ่คิดไข่ทิ่มีพิจารณาเขาวัดเขาว่าเออเจอเทห่ห้าอย่างหลออร่ำทำเท่งหบัยื่งซูนอยากจุดสะโปกประแทกอนไดก็แค่ไปตมอัมเนเพื่อใจข้องเท่าหนักมันเป็นทางตัวทางเสีย ทางบอดีบางแง่ให้เกิดขึ้นแก่ตัวป้องตัวคือคนลักความสงบคืคนต่องตางความสงบกืคนนางทาวหน้าเดินเท้าผมตารากีเลกของคนก็เลยยิ้เสียงุตส่างคือข่มหรืยิ้มเย้ยยิ้มเยประทัดนั่นนี่ขึ้นมายิดใจมั้ยเละร้อนยึดใจเป็นปวนปันหาความสงบสงัดมาได้เข้าภูทามบอดีบุญวังือ ต่่งบาปต่างกรรมฉะนั้นเป็นบาเป็นกรรมไม่เสือยู่ือมบริลลรอบซ้อบริจับเรือล่าบริลล์จับสามัญบริจัสถานที่จำเห็นใชหากันยินดีพิจหน้าแจกไขเลี่ยงองตัวอยากเกิดอยากเพิ่มอยากจะเกิดเพิ่มอยในสถานที่ดูจมีแลสถานเป็นต้นแล้ววัดว่าโบกปีหานผู้บาอาจารย์ผู้บวชปฏิบัติอาถรรพ เป็นฟูเซนิลาสถานเป็นฟูเซนลาวัตถุเี่ยวรเทารบตัการวายข้าวีมีจิตเจรหน้าไปทาเสือทำเสียในเฉานเี่เวข้องการว่ายมันเป็นบาปเป็นกรรมบาปกรรมที่เขาทำ่ายม่รู้คือใดสิอย่างที่เอาไปตัวของเข้าเองเป็นผูจิได้รับบาปกรรมต่อไปเกิดขึ้นหน้ามุขคือบั้นขึ้นเรื่องคนจิตก็เอาจบ หูกระนขกซะตากระบอซะปากกระซูซะม่ถึงจะเอาไหว้เพียงไดเรื่องน้นั่นก้าขาบกึ่งดึงดได้ยังไดเห็นขี้ปาขี้เขียดูกทุกทั้งคาสังมบ่ดีอร่อยม่นเกิดขึ้นได้จากตามข้อเท็จจำมันเกิดขึ้นมาจากเช่ออื่นเพาะนัเ่ไรมันบ่ดีบางอางเช่อไรมันเป็น ปนไท่ไหนละ่ะอย่าไปท้ำแล้วร่างรักษากายว่าใจใจ้งตนเรียนสีสอบสียิ่มดีแต่คมเชี่อาไววในสถ า, า น, ถนี่บาบางข้วนผูกพ้น้นใจรักษาไหวสิคุ้นงานความดีไปสถานีใบบ้านนั้นนี่ชิริยามารยาทนธทรมมีในเะรียบร้อย บอกว่าภูใหญ่ภูหน่อยไปสถานคือใดนี่ซอมสงวรัหัสไกลไปน่ะเดินไหนเน่ยนาบูซาเอาไปสารเสนเนี่ยนอให้วัดตากมฐานมงหนุ่มเดล้านเดคือเดินขั้วน้ใดุกวาอาจารย์กระบาลูกพิกระบาทุกขวาไปเสนตัวพอนบนยืนลงเงี้ยเอาไปอยากจะเสียงอันดีอยากจะเื่อเงาซ่อมดี ถ้าการสอนกันถ้าการสอนใจยกของของบอดีบนี้คือไานาบนี้คือได้ยันได้ถ้ากลวั้งรักษาไม่ยังหรอคนเราอยู่บันยื่นี่อย่าคยกันอย่าคไคนอกลับเขาบอกแล้วามบดีบงมเป็นทางเรื่องทางเสียคอนเท็จเป็นี้ท่ามเ่งคนเดียวแต่ทําเลย จำนวมคนเป็นหล่อเป็นพันเอาหย่างยางไปได้เป็นจังหวอารัชี่คนเดียวทำาลัชี่เสียหายไปได้เป็นหล่อเป็นพันอาลัชี่ถ้าผู้คนมันมียางอายคนมัมีความดีในใจในร่างายในใจท่องตนเดื๋อวไปผสมอยู่ในคุณใดสังคมใดห่วงใดจะท <matches> ่ามห่วงหนเสียอมเสียไปเหมือนกาที่ปาเนา มันจะเออมันบอ่านตายท่านเมาแบบนีกินฟงกินแบบแบบผ้าไปฮะเัื่อื่นท่านเห็นเมาเห็นมินลัดที่เที่ยงค่อเดียวทําอะอรัดขี้เหยีดเหยียดเด่นไปได้แต่ท่านเมาเดียวกันับเขาเห็นจริยารรระยเห็นความดีความห้ามของคนคนหนึ่งด้เยมือหนึ่บ้านหนึ่งเขาแต่ก็องอาศัยมาค้นบ้านนั่นเป็นคนดีเป็นคนมีจริยามรมระยันะ รักไข่เป็นคนมีจินตยาเมลย่าหนาเลื่มไสเพอาะคนดีมีเพียงคนเดี ย, าายวานัดก็นั่งบ้านนั่งเมืองห้งเฮาเหมือมีเสียงเด่งดังไปให้ทั้ ง, ง, ง, งดีเหนทั้งดีเหนทั้งเสียวเป็นกันขามว่าถนันให้รักษาเอาไว้ความบอดีทุกอย่างถ้ากันแก้ไขถ้ากันระวางรักษาวัดแวบบ่าเป็นที่เคารพเป็นผูเป็นผี้ยถฐาน มีไงคือหน่อยแล้วว่างรักษาเล็กๆเบ่งหน่อยมันก็มีซอ้มีแม่ซอแม่มันแม่น้ำต่างสอสซอแม่มันเป็นคนดีลูกเต่าเหมือกัมาเด็กเดินตามรอยเท้าของพอของแม่เหรอลูกม้าไม่สือกลายเป็นส่างเป็นเสือไป็นวัวได้ลูกสัตว์ลูกเสือไมนสื่อกายเป็นเป็นหมาวัวได้ลูกอันใดก็เป็นลูกอันนั้นลูกคนดีแต่มาอยากจะ่พื่อตัวดีไปตามหล่องร้อยของพอของแม่ลูกคนตัวแต่ถ้าน้องเดียวกัน ก็ใส่น้ำเอาไปคูเป็นพอเป็นแม่แต่ให้แมน่ซอนเขายึงไงสิเป็นอัโมงคนสีน้อยู่อเสียงเวอร์เล่าบอดีบังงามนะไอ้แก่นู่แก่ล้านถึงแบบทอยากทำอยากคิดอยากคิดนั่นก็ห้ามยิดห้ามใจเอาไว้พอเริ่มหน่อยก็ตีดขี้ไปเป็นตัวอย่างทำบอดีบังงามยังไงมันดีมันงามถึงสาเส้นคิดใจแต่ภาพตั้งแต่ทบําเพี้น อย่างนี้หน่อยเขาเห็นเขาเกิดจำโอว้ว่าฟอร์เมอร่าคยท่ำยางหนึ่งเคยก็คือปฏิบัติยางนี่ฟอร์เมอเป็นบุคอาจารย์เป็นอาจารย์ห่มส่งของเด็กถึงจะเป็นแบบขึ้นของเด็กถึง้ว่าเดีนี้สอนในฝ่าจักริยามารยาของเข้าถาเหมือนเขาเห็นเป็นการสอนในนตัวเป็นจังผูกต่างข่้นท่ำอ่างท่ำหนึ่งเขาเห็นข้างลึ่งเหี่ยว่าได้การกระทําเป็นการสอน ย่างเอกย่างวิเศษพระกันจีนีพิจายนาต่างคนณ่ามความดีนตอนเจ้าพระกันฟั้างบ้าทำบุนแก่เจ้าพระสงฆ์ในเทศกาลออกพรรษาท่านัดคำว่าให้พาะสวดมนตามจะริญเมไสตามความสามารถของตัวต่อไปทำย่นมากแตเดีวบุญชาดอกใหม่ถูกเที่ยน ก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จับวายทำวัดตา้งเศษตั้งถ้ำกำหนดจกํานดใจอหากจงบร้างเงาะก็เหสูงคิดเมากไม่กนลำบากลาข้ามกเคยคิดเคยสูงเคยสูงเคยตเอวมันจะเห็นชื่นได้ดีมีเศษเหนให้โอกาสที่ในามาวัดนี้ว่าในเวลา วันพระวันเจ้าหรือรันการสมัยมหาพรหนา่าณพากันกำหนดคิตกำหนดใจอุทิศบุญกุศลจิตองกำนหนดไหวใจสงบเพื่อแพร่ไปสู่สัพพะสัทัท้างลายนิ ด, ดามาันดาอุปัาอาจารย์หือสัพพาสัพทั่วไปเด้รับความสุกกายสุกใจไม่นี่กำมือเย็นเจียวของสองพานจ่งกันและกัน ทำคิดขั้ใจทั้งตนแห่งงบแห่เหตุตาคิดคิดนึกอุคิดบุญกุศลไปหาการทร้างร้ายสิเบื่อเนาทน่าโลกกับชื่องงบลังงบบ่เดือดร้อนบุนไหวบ่อิ่งช้าพยาบาทกันเอาบัวสั่งคุ้นงา่ค่่่ดีอุ่ิ่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เขาเห็นว่าขี่มันเหม็นแข่งขันชงขนมชงข้าวหยาข้าวจีนชงเงิงเข้าไปรหาเวลาไหวกันยังไงใบรับเพราะเห็นใดเพราะมันใบใบข้างดีอยู่เท่ากับึกันแหละอุทิเข้าวฟัวใบไห่ใบกล้วยใบแซงไปอิจฉาขยะบาทเขาเหล่าจีอุทิศความส่วนไปให้เขาเขาก็รับดอกจัดทั้งหลายก็ดีเห็นบอลถือขวานสินกล้เมื่อกล้วนี้ งูวาก็แล่นหนีหมามันก็แล่นหนีมันด่านชาย่านจีใครเอาขอร่อเเลีย่านคนเนี่ยเนี่ยไม่เห็นบอกว่ามันเศร้ามันด่านนกป่าจันเห็นเขาเหแลเป็นหมาเป็นไกเป็นสนขไปนึางเงินมาได้กินความดีทั้งหลายจะทงน้องเดียวกันเขาคิดไปไหนพอเมียี่น่องเมอวุฒวาดาสัสตถุวนหน่าเขายินดีรับ ออน us, ุโมทนาเนใจยัความเชื่ออ๋อนุโมทนาใส่นุโมทนาบูรัต้ยัตนุโมทนานันเพามเป็นการสือเชื่เป็นสึ่อสื่อปาทนาเมืาอว่าเหาวคาเชื่่วไป่ามีสื่อได้ปาเถนะมีสื่อได้จองการจากเพื่อนมารู้เพื่อกันเพราะฉะนั้ความเชื่อทุกใจใจงสอนว่าภาษาภาษาตานั่นความช คั่วไปยาสีทำควรละควรถอนตังทุกระตังเซลโยควาเผั่วบ่อถ้ำก็เลยดีกลัยวตัดตัดิทุกตังพอคว้าถ้ำแล้วจะเดือนร้อนในภายหลังํารคั่วสีขาวถ้ำไปมันหายสนแจเอาภายหลังเมื่อหรือรับฝึกรับเนี่ยลาบากลำข้านพอะคนคนั่วสีขาวถ้ไว ไหน้นไห่กาไ่เกิดขึ้นในเสือคงเฮาเราผมมาต้องการความเสือเราเนี่ยเราไปใจาะตรงหัวไหล่ทําในกำเัือต่างๆบังว่าทางกายทางว่าใาทางใจคุณได้เห็นได้ละเสือได้คุณลาคุณสลัดเสือไปตั้งไปท่าส้างคุณง่ายคว่ำดีท่าสัางเสี้ยวสังแพราหน้าสั่งใจสังว่าจสัางใจ ไปในทางอัพทางทั้มคือสัางความดีไปเจอผู้วเอผู้หนึ่งมีซ่อนเจอเรื่องหนึ่งเรื่องเหมือนชายจร์สั่งสินนวันสิข้อแสงสว่างสาจางแสกออกไปเลือดมามีวันสิอัเสามมีวันสิเสียหายนี่คือการต่างความดีพระพุทธเจ้าสอนให้ตอบรวยแต่ทำบาเพ็ญโดยทาง ทั้งร่างายทั้งใจทั้งนทั้งท่านทั้งพยานาเชิญให้สั่งให้ถ้ำเพราความดีเท่านั้นโลกสิ่นี้ซ้ำงงรบทุกข์ควากลัวสิ่ี้ซ้ำถงงอบทุกข์ค้องเสือสิ่ี้ซ้ำงงบทุกข์ความฟ้องเสแล้วเบองเสือเิดขึ้นเนื่อได้สิเสือเดชถเดพูดเดชิดในทางเสือท่าเสียเสือ้องเสือเองกับเบ้้อนแผลเป้ เลาวบกคว่ำจิตใจทำตัวใสเสียหายยางนั่นยางนี่บคว่ำจิได้พูดตัวใสลาโงยางนั่นยางนี่เดือดร้อนจิตถึงคว่ำัเหนื่อยไปเผลาตายเผลาใจเที่ตัวอยู่เหนื่อยใจมันจะหนล่ะตัวบ่เพมดีอยู่ในท่านไหอยางนี่เวลาเป็นมงคลเวลาเป็นของตนเหนื่อยบ่มีควมำตัวมีแต่คว่ำดีแหละมุกกระสุกจิตขึ ใจน้าถึงเมื่อไดใปดีจิตใจเอื้ออ่นในความดีต้องตัวนี่คือต่างความดีใจตัวเมื่อตัวมีความดีขอบขั่วเสียวรักษาเยหั่นจะมีความดีไปด้วยถ้าวัดอันนี้มีโทษลูกก็ดีเนี่ยก็ดีพรรยก็ดีเพราะความดีต้องเข้าเสมอเพื่อแพร่ใจไหม บุคคลเรานั่นให้รับความเยือกเย็นาจใจท่องเขาข้เสัอเาเสียอเสือท่องเข้าไปเดื่องยอดเงนร่างอกงามสวยงายตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติขอให้เค่อยเสียไปเรื่อยเป็นจัรักษาความสงบรักษาความดีตังแผ่นตางข้นตางรักษาเรื่องประงบงับมีความปลุกความสบายโบเียดเบียน รักโกรกซี่รกผาจีตด้งจีกันโกรกเมื่อก่อนเนเย็นเป็นอาจเป็นถ้ำบดตอึติตันถ้ำาสอนเขาพระเจ้านะดันสีหเหินความุความเจริญของกายของใจก็จะหนึ่งฝุกควงโดงจำเอาไว้ละตัมวเพนดีใครรบฆาลวะในสถานขี่ควงครรในบุควงี่ควงใครรบคือเด็กแด เต่าล้างเหรียญแตเขาลบต่อคูนัยหนีไม่อาหนุลบต่อพอต่อเมียเส็จๆคือหายกันหมดเกั่ยวงเรามากหนุแต่เพื่อได้สติบัตรได้ยางนั่นกันำบรตีเจริญอะไรเนาะฮอปเปิ้ลอะไรเรื่องละหน่อยเขดีอย่างนั่ เครืทองเขาททำหน้าต่ต้องมีเครื่องจักรเครื่องผลนี่จะได้เนื่อจะคว้ยเท่านั้นหาเทำหน้ามันตืนเกนเพราะเนื้อกล้ยมันเป็นสาเตือหนึ่งมันูีคนขุคือมันจะได้ออกบหมือนเบคอนหน้าต้องเอามานาดจะเอาไม้กวนเขอะถ้าลูกถ้าร้านจะเอายินเราเป็นหรอหี่หอมเรางอนหน้า เดินหอเลินได้หม่เขาฟังขันหอมขันลืไปไบุญเสือเสืออย่านหอแล้ว็เตือนย่าเตืนหอมแต่ได้หน่อยหนีสักเขาเงาอย่าลรถเนืงเตือนรถเนื่จะจามไปเตืนเลยจะเอนยคุณจะเหนื่ยนคสอน มันเป็นความหญงคุ <tar onion punch ama ishops> ้มบุกไเห็น <t> ม um> ันไปเง้่อตลอดแเ่ียนสั่งหอมกังกังนี่ไว้แต่ตัวดีดีงกค้างมูกินมันเติมมัจามส่งอย่างไนรเิต้นเบิมตกเองินท่า้าเราก่าหลานแล้วงานหอมานหอมติเลยเราติดเติมเลยแต่ว่าไสด้วยหน่อยดีค้วยเรับอานอเนี้ย เห็นทันอมาง่ะหมายถึงประธานเคยเห็นซึ่งอันเดียล่าออกผสม่ันธสัปรเมันดับอย่างเช้าให้เช้าหน้าไปส่องไปหลอก้วจากพระสงฆ์เนิยูันธาัได้ระยะสามเดือนเต็มดูดูฝนนอกจากจำทันธสัตลอดใต้มานแล้ว คเจ้าของบัญญัติอันนี้สมของวั้าบัญญัติเปิดโอกาสให้ถ้ายกย้ยจิตใจถ้าบุญเส้นท่าบัญญัติจะติดเป็นต่ออีกยมืเจ้ากล้าไว้เองกรับกำลัาควรคิเดือดปนหาวันี้เงี่ยบอกัน้าวันีเงี่ยขอ้าวน้เียขอนาวันเจ้า เราทำลาาซัาแ่า้นชาหนอข่้น้าใ่ซังม่มีโอกาสเยล่วสมชืจิตใจทั้งนูเดืไปนั่นหนอขั้นช้าเนี่เขี้ยนแต่ใจขามาออกจีปัญหาอย่งนอกเนี่จตใจทั้งนู้นขั้นซังทำาดีเดืดไปคิแต่ทั้งนู้นินสอมกินนน้่งบ้นอ่มขนาดหน่อขั้นช้าเดว ว่า <c ười> ี่ยงดเกี่ยวกับปัญหาอะไรก็ยัน่ปัญหาเขาจะมีเยอะกวนตัเาิดสองกิดหึ่งแ่ทานยีมก็ว่านิ่งืนดไฟทนี้ทนั้มีควาหมายดีต่างเพศทำนะทำเดือไฟยิ่งจะงขหาใหม่หายไปต้องให้ไปเหนื่อยขึ้นละยงจะยังพอยนะพรษาอ้พรรษาบญแบบคือได้ข้ามไปยังหยื่อเต้า มันมีการเพิ่มการเสียไปดูนี่างพองดีเอาไว้เกิดมาทั้งชาติาตัหาขึ้นเป็นโมฆะมันมีอันใเป็นซาหาให้โชดีที่เด็กมาเกิดจนมนุษย์ตับเอกสารทั้งหลายเขาโยนโยกับย่าลายเดจกมาเกิดนับจะเมื่อ หลานบ่ได้มึง้เท่าหรือเป็่าสองทางอันสำคัญที่รับถ่วงไปนี่เาเป็นโฉกล่าเป็นตัมว่าฟุกขจินี่เป็นโฉฟุกขจิมึงรู้เครอระยารินพุ่มยังเงโลกเก็บเสื้อกายสัจจะสามเป็นอบายกั้นเป็นเพิ่มตั้งเป็นฟุกขจิมีบา เราสามารถสั่งมากสั่งเส้นสังชาสั่งเส้นสั่งข้าวหน้าได้เราสามารถที่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยเจ้าได้เขาอาขับอั่จนก้อเฮาอย่างนี้จะเนื้อหนักก้อนเฮาเช่นปวกแม่เื่ามึงจะปลวกมึงมึงก็าักปลวกแม่แบบเหยียดเท่าอย่างนื้อต้องสับดูมึง มันได้จำนมันมากมีเท่าวิโอกาสเยอะามีวัฒนธรรมถึงด็มาเกิดเนมนุษย์รักษาสมบัติของมนุษยไว้การสังใจมันดีเมื่อพิจารพยายาม้าใจในชีวิตของเาเป็นเท่าโีจ่างอ่าเย็นเปเท้าโจแข็งแก่งนอยแต่จะมีุณสมีัติมาเกิดได้ เติเหนื่อยเติตัวเติมใจเติมใจสั่งต้องดีต่อไปที่ได้ลงไหลเสียดมาศาสเดียวหลับเาตายไปหรอกย่เสือมาหลอกหุ้มสรงหลอกไปใช้ในโลกกวีไ้เสียเป้นชีวิตเสียแต่ซ้ำอยาให้ใจเสีดไปตายศาเดียวไปความคิดความอามใจนิ่งนั่นเป็นมือาจิจิเป็นธรรมบดยดีบางงาปราหน้าธรรมเสือสารละมกไปไหลทุกทุกประการไป เหนมวาตายขาดเดียอตายหล่ right? blues, ันดับตายดับตายได้เห็นไ่มใช่ไหมตายไดแล้วจำที่จำว่าใจง่ายส่วนพิเศเหน่อยเนันก็ไปด้รับเงผูกเกหม่ผมยังรคเป็นเกศเป็นตัสสาวะฉนเ็นเอชวายกายตายบางเต๋อบงเงีั่นเกิดเป็นมเสียจำน่นเงี่ยเดี๋ยงอีกด่วย คิดใจห่ังใจกันเป็นหลังรจยิ่มยึดรารคิดใจแต่สิ่งคิดใจยึดเริ่มยึดตารคิดคิดอันที่ที่ตใจไม่ายเลยก็บอกยอมใช้รัดแย่งฮะใจหลงใจไล่ใจเกิดจะละเมอไปตารเหลืองตามเหลืองซัวนี่เสียกรมขีเท่าไหวทำแห่งฟงขึ้นหลังลมยิ่งฟ ทุกกายทุกใจนอก็หนือากได่และศาสนาต้องเครือข่ายอำนาจย่งนั้นภาพกานดีเจ่นกาทนุนเทนเพื่อนความดีนัคะเอาไว้สิ่งความดีเหมือนยังมีชีวตอยตายไปแล้วจะตกไปฮะมีน้ำาติสุสราธรรมาสุสราธรรมะเอาเพนความดีให้เลอยู่ น่าสหนาใจกายใใจเท่าๆก็ดีไม่น่าสังใส่ใบนอื่นก็ไม่นา่้าไอจยส่งใส่วัดเว่าไอหวยหายหันสั่งใส่กายใส่ใจเท่าๆี่ะไม่น่าสั่งได้ท่านได้ไม่ใชยูนในกายในใจชีิตใจกระดกบานชีวิตใจกระชองใจชีวิตใจกดกบานที่ิตใจกรองใจ ก็ขคติเป็นผิวล้างได้คิดใจเข่ามองคิดใจเคลื่อนเคลนคิดใจเดือดร้อนิดใจโยนล่คิดกติก็เป็นผิวร้างได้เป็นเรื่องไหวยางนะถ้าคิดทงศาสนาทั้งรรมะั้งิดนุกมีความดีใจมันดีใจมันฟังฟสใจันเบาวจมันสบายนั่นแหมีท่าไปสู้ความดีต่อไจ เาหองเรียนท่าโดยไม้องถึงสี่ชุดแล้วฮะชุเต่าครับอรหันอหท่านสี่ชุดแล้วท่านสะดวกสบายสงครมันมีเรื่องี่ตัวเด็ไปนี่เ๋ยร้านหนาล่า้าไม่พบขาดอยูตพอที่พบขาหนึ่งวันสิจเกิดไ้ยสถานที่ดีมีควุขหางเอา ข้ามพรเ้ากาวะเป็นบ่อเกิดของต้นบัตเป็นบ่อเกิดของความฟุ้ข้าม้าจักราน้า้ามเป็นบรรไดใน้วยคืสวรรค์เสนอดคือความฟุ้งบัตข้าไปหนอยต้อเช่ข้าเข้าปาฮะขามูข้มาไหน มีความสึกลราลงมือคิดถึการกระทามของเฮาันก็มีความฝุกทานภายในทานจิตกันฮะไม่ออกไปจากกายวาจาใจต้องเครื่อานอีกตัวนี้จะละความฝึกอันหน่อยอยากเอาความฝุกอันใหญ่มาพัฒนาว่าเดินไปตรงพอเนี่ยตอนแรกจิตเข้าใจทำความสงบ ไม่ได้คือทานไผ่ไหมสียดากวนคกวสงบคปรัเลี่ยนหมหองตัวเองหือวรักษาส ยาซีนอากนคอเขาคือไปจับมันให้จับต่างต้นไม้สิมาจะถึงคุ้มค้งคร่องตัวเครเสีย่งน่ะแล้วสมันจะบเค็ต้วล่กสีไม่ซีนดูแล้วเายอเข้ไปแบบคุกแต่ล่างไปเคาะเข้าข่อนนะเนี่ยตัเขาเยอนี่าแขหงเนี่ยแล้เนี่ยเขาจะยังแงตัวไป ตรื่องบางอย่างถูกกระร้บางอยาดีบางอย่านลปัจจุบันโลกขนายักษ์ใหญ่้ตถ้ามองเดียกันเห็นที่นี่ที่น่ถ้ำาวนามี่บานท่านบอยเลยจับไปโลกโลกใหม่ถ้าเองไปเกิดเป็นมนุษย์เองก็เกิดเป็นเถื่อนุเถื่อนัททิดาเกิดมาแต่ไหโลกขนาอาภาเราเป็นไงเจ็บสวด งอนงอนเงี้ยเอรอดแอะแอเพราะอันหนักมาเหียดเลียนเขามาทหลายเขาอันนี้สงองศีลเกิด้าแตเป็นเคื่อสะอาดเกิดาต่นี้อันหนักหลสกชนะเกิด้าผมมีฟองสางหน้าพออันหนักศีลที่รักษาไว้กายก็ปราศจากโรคไข้ไขเทยบมีฟองวามใสเมือวันน ตัวไปมีว่าจะผิดซักคิดเราอันใดจะสู้นักถือเสื่องฟังเาะอำนาจสงีนีตัวรักษามาจะเราเป็นอันยิ่งให่้สนผู้สินอย่งเช่นผู้สิ้นอวังค์รับความสุขความสบายต่อไปแล้วสิ้นชื่อตนขนทุกข์ใจตัว ห้ามใจวะหิวเป็นท้าดียาหนักเขาจะเต็มใจรักษากระทัางมั่นเพื่อนอไปทงหน้ากายสลาดจิตใจทงหน้ากาขวนขวนหนงานพรอมดีมาหาใจไหนเพ่มิงผีอาใส้สมยท่อเพัวไปจีใจค่คิดค่ปงห้โออกอย่างนั้นก็ให <c ười> ที่มีหมดเหนื่อยได้ยิ้ไใยของคุดไม่โลเกิดหน้าเวิมตอนเนี้ยใสลาี่เจ้าหน้าอันใดกันบอกครบตรวจถึงนนคือการภาวนาข้นประสานานแผ่นโตเกิดหน้าอยากให้หยุดย่างสร้างตัวตัวเี้ยเป็นช้วิตงานเกิดจะเป็นหน้าเนี้ยทองจากตะวอ่านทะโลก ีเสียงเรื่องนาแต่ท่านใดมีพู้ขวางหอกขวมองให้กรยันได้้าเป็นหลูกหขยแต่นี้ยทูปที่เจ้าจะยืนทำุ้มนมกับเวดายมาเป็นเนี้อจะเป็นผีเ้าเนาะแต่วนี่ยแตเห็นซ่งาซองหลูดซ่องหลานแต่สินบานจิตใจแต่ท่านใดเท่ากับท่าใดเส้นเด่นว่าต้องเปลี่ยนงา แต่เสดีเศษยังเห็นยังเห็นเห็นี่ยอยากได้พ่อใจจะช่วยใช่เป็นคนเงี้ยไปทางไหนคุณสาวแหนี่ยเขาจำใจก๊อปลองหยุดลองหยีเขาวีเศษแล้วจะเห็นเห็นได้เห็นอยากเป็นหยุดยันใจงบเบือบนาย อีกท้งงามกล้องกายกล้องง่ามพิเดยมากแเพราะเขาสั่งเอาถ้ำเอาไปรักษาซึ้งอาไรอย่างง้สะอาดมันดีอะไรนั่นกายย้อมหน้าเย้าเนี่ยย้อมบาสคาชานไ่รับดดแดดนแตีป็นาทีชาความรู้นี่จะเยอะสลาดสาเกียง จิดอ้างอะไรโมภาพโมคิดคนยางเนี่ยอยู่ในโลกมนุษย์ก็เป okay. ็นเถี่ทพุทธเถี่ยทพิดามีคนเคารพหย่องใ้มีคนอยางไหลสักรามูชามีชื่ขึ้นคึ้นดีมีป่าถนะขอมนุษย์ทั่วไปแนี่เ็นบัตรหลายๆนี่หลักฐานจากประจากษยกใใครเช็ค หลงกายตเง่าจะจีัญญาฤิชาเขาอยู่หลุดเรื่องรอบครอบให้กระตากฐานะเนเป็นหลูกของคือไรไปเป็นเชียวของคือไรไปเป็นเนียอของคือไรเพื่อนนั่น้ะตาด่ายเสี่ยงาพลึกมีความสุขความสบายอางนี้ส่งของการทาดีมันมียาวนั้น ต้องเที่นแล้วอเทียวกันมอหาความคิสบายให้อยางนี้หนบะกนปอบตาบอกกเกียข่านบอกนอนนอนซ้อนนอนดัเหอไรบอกเป็นประโยชน์ใหมีใจจินใจถี่ใจเรใจเพื่อนั้งหา พ่อแม่เงินท่องทออที่ายเป็นที่พี่ลูกบอดีกรบดีดีสางไว้ไหท้บดี่เป็นท้บัดท้องตัวสาว่าเจว่าอย่บ่งเงาพ่อแม่ตเกียักลุกตาหยักพ่อแม่หยักอายอ่านั้นเมื่อคุบังชื่อเรื่องคนคนดีคนดีฮะแต่ถานที่ใด พอปัจจุบันยิ่งท่าเป็นพ่อเขาม่นจะได้เป็นแม่เาแม่นดแ่โสอนบอกผมว่าดูจ่ะพอเชื่อปฏิวัติตัวก็ดีเถอะนะพอท่าแม่่ะอนี้เลยแข็งในใจจจ้อนี้ฟ้องฟุกเขาดูถือยิ่งท่าต่อไลเล่นท้องตัวเขาเซนแล้วเนพ่อแม่แมฟอุกความสบายไปทั้งไรอย่นี้หน่ายไงพอกระดม พอดีเนี้ยคือมุ่งควนว่าีเี้ยมีแต่แค่นั่งเดียวการหาต่างคนดีเอาไว้ันซึ่งทีเดียวนั้บ่สร้างให้ดอกนั่นสาบ่สร้างให้เรือนทีบ่สร้างให้นอกหงจากห้างิสร้างเอาเจ็บใจเหมือนีปัญหาอะไรต่างคนดีใส่ใจใส่ใจทั้งห้อาต่างห้าเอง เง้นอื่นกคิดว่าพอๆกันใช่ไหมอยากดีแต่บัวแท้นดีดีก็เกิดขึ้นก็ได้เง้้ากัน่าเท่เาไหรอเนี่ยด้วยเสือคุ